ตอนที่ศึกษาไม่ลงโทษแต่กลับขอบคุณเก้าช้างเหอกระแอมไอออกมาคําหนึ่งคือว่าสหายซูมานอินคุณเจียจือปิ่งอันนี้ซื้อจากที่ไหนหรือค่าอร่อยไหยหาเก้าช้างเหอเพิ่งจะสังเกตเห็นว่าสายตาของซูมานอินกําลังจ้องมองเจียจือปิ่งในมือของเขาอยู่พวกคุณยังไม่ได้กินข้าวเช้ากันนั้นหรือซูมานอินและฉินเสี่ยวเยเว่พยักหน้าพร้อมกัน ไม่ปิดบงังท่านเลยคะพวกเราเพิ่งตื่นนอนก็ถูกพวกเขามาดักหน้าดักหลังเสียแล้วซูมานอินอธิบายด้วยรอยยิ้มไม่รบกวนเวลาทำงานของท่านแล้วละค่ะเดี๋ยวพวกเราออกไปหาซื้อมาลองชิมดูบ้างพูดจบทั้งสองคนก็เตรียมตัวจะเดินออกไปเกาช้างเฮอลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหมุนตัววิ่งตามออกไปสหายซูมานอิงจีจะปิ่งอันนี้ผมยังไม่ได้แต่เลยถ้าคุณไม่รังเกียจแล้วก็ไม่รังเกียจหรอกคะ่ะ ชิ้นเสี่ยวเย่ไวๆกว่าเก้าหนึ่งนางรีบรับเจียจะปิ่งมาทันทีเพาว่าพอเปิดออกดูแวบหนึ่งก็แทบจะหมดความอยากอาหารนอกจากใบผักไม่กี่ใบกับไข่ไก่ฟองหนึ่งแล้วก็ไม่มีเนื้อสัตว์เลยแม้แต่นิดเดียวซูมานอินมองออกว่านางไม่มีกระจิตกระใจจะกินจึงแย่งมางับไปคำหนึ่งตืมรสชาติไม่เลวเลยค่าราคาเท่าไหรข่ขหัวหน้าเกาโทเจียจปืปิงอันเดียวผมเลี้ยงได้ไม่ต้องจ่ายเงินหรอกครับ เกาช้างเหิร์ปฏิเสธตามมารยาทใครจะไปรู้ว่าซูมานอินกลับดื้อรั้นควักเงินหนึ่งหยวนยัดใส่มือเขาห้าสิบเม้าเป็นค่าเจียจื่อปิงส่วนอีกห้าสิบเม้าเป็นค่าขอบคุณค่ะซูมานอินทิ้งรอยยิ้มงดงามไว้แล้วหมุนตัวล่าชินเสี่ยวเยเว่เดินออกจากสถานีตำรวจไปราวกับสายลมเกาช้างเฮิร์กำเงินหนึ่งหยวนในมือไว้มุมปากอดไม่ได้ที่จะยกยิ้มขึ้นมาผู้หญิงคนนี้น่าสนใจดีแฮะชินเสี่ยวเยเว่บ่นอุบว่าซูมานอินใช้เงินฟุ่งเฟือย เจียจือปิ่งนั่นดูปราดเดียวก็รู้ว่าไม่อร่อยไม่อร่อยนั่นแหละดีซูมานอิมกล่าวอย่างยินดีต้องขอบคุณเจียจือปิ่งรสชาติแย่ๆของเกาฉังเหอนะเพราะมันทําให้ฉันคิดไอเดียเริ่มต้นธุรกิจออกแล้วเริ่มต้นธุรกิจชินเสียวเย่เว้นั่งอยู่บนเบาะหลังพลางใช้ผ้าเช็ดหน้าบางตาไว้อย่าบอกนะว่าเธอคิดจะทาเจียจือปิ่งขายฝีมือทําอาหารของพวกเราสองคนน่าทาออกมาเป็นยาพิษเสียมากกว่าซูมานอิมถีจั ก, กรยานด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมฝีมือไม่ดีก็แค่ต้องฝึกฝน หากไม่มีพรสวรรค์จริงๆก็แค่จ้างคนที่มีพรสวรรค์มาเป็นตัวช่วยในเมื่อมาถึงยุค80ที่เต็มไปด้วยโอกาสเช่นนี้มีหรือที่นางจะยอมปล่อยให้หลุดมือไปซูมานอินวางแผนการในใจไปตลอดทางรู้ตัวอีกทีก็มาถึงหน้าสำนักงานเขตแล้วในเวลานี้โจวิมินมายืนรออยู่ที่หน้าประตูใหญ่ได้พักหนึ่งแล้วเมื่อเห็นผู้คนเดินผ่านไปมาในใจของเขาก็รู้สึกประหม่ายอย่างบอกไม่ถูกจนกระทั่งเห็นซูมานอินขี่จักรยานมาถึงความรู้สึกหนักแน่นมั่นคงจึงกลับมาอีกครั้ง รอนานไหมคะซูมานอินจอดประเสร็จก็เอ่ยถามด้วยความหงอยยัยโจเวยหมินสายหน้าไม่ครับผมก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันซูมานอินยิ้มบางๆไม่ได้เปิดโปงคำโกหกที่แฝงไปด้วยความหวังดีของเขาไปกันเถอะพวกเราเข้าไปข่าในการเดี๋ยวก่อนโจเวยหมินดึงฉินเสี่ยวเยี่วไว้น้องสะพายตาของเธอทำไมถึงบวมเป่งขนาดนี้ละ่ะอ๋อร้องให้พระเสียใจมากไปหน่อยนะคะเห้ ชินเสี่ยวเยเว่ไม่กล้าบอกความจริงว่าหัวย่อมใหญ่ในยุคนี้มันช่างเผ็ดร้อนเหลือเกินคราวนี้คงต้องพึ่งพาทกศาการแสดงของตัวเองเพียวเพียวเสียแล้วจะใช้ตัวช่วยภายนอกไม่ได้อีกมันช่างกระตุ้นอารมณ์รุนแรงเกินไปจริงๆพนักงานรักษาความปลอดภัยของสำนักงานเขตเห็นคนแปลกหน้าก็รีบริ่งออกมาจากห้องเล็กๆ เ, เ, เพื่อขวางไว้พวกคุณหยุดก่อนจะมาหาใครสวัสดีค่ะพวกเรานัดกับหัวหน้าเจ้าเฉียนไว้ว่าจะมาพบวันนี้ค่ะซูมานอินตอบกลับอย่างใจเย็น เมื่อวานพวกเราเคยมาแล้วมีสหายตัวน้อยสวมแว่นตาเป็นคนเข้าเวนอยู่ค่ะจริงด้วยพวกเรามีการลงชื่อไว้ด้วยนะคะชื่อสูมานอินคุณลองตรวจสอบดูได้ค่ะตอนที่สูมานอินฝึกงานนางเคยไปสัมภาษณ์ตามหน่วยงานต่างๆจึงรู้ขั้นตอนการทํางานภายในเป็นอย่างดีแม้ว่ายุคสมัยจะแตกต่างกันแต่ขั้นตอนโดยรวมย่อมไม่ผิดเพี้ยนไปมากนะักพนักงานเวนกลับไปตรวจสอบดูครู่หนึ่งก็เห็นชื่อนั้นจริงๆในเมื่อเป็นคนที่หัวหน้าเจ้านัดไว้งั้นพวกคุณขึ้นไปที่ชั้น3ามเถอะครับ ห้องทำงานของหัวหน้าเจ้าไม่ได้อยู่ที่ชั้นสองหรือคะใช่ครับเดิมทีผมนึกว่าพวกคุณนัดกันที่ห้องรับแขกเสียอีกที่แท้นัดกันที่ห้องทำงานนี้เองซูมานอินยิ้มรับแล้วพาทั้งสองคนเดินขึ้นบันไดไปแม่เล็กคนคนนี้ทัศนคติดีจังเลยนะคะโจวไวมินนึกถึงตอนที่เขามาเองครั้งก่อนแล้วต้องเจอกับใบหน้ายินชาปั้นปึงจึงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกยินดีแทนซูมานอินดีไหมละ่ะ เมื่อกี้เขาเพิ่งตรวจสอบชื่อเสร็จก็จงใจลองเชิงชันทันทีคนคนนี้เล่เหลี่ยมเพ่าๆนักโจวเว่ยหมิงชะงักไปครู่หนึ่งสมองพันลั่นเร็วปรืดที่แท้คําว่าชั้นสมเมื่อครู่นี้ก็คือการลองเชิงพวกเขานี่เองโจวเว่ยหมิงรู้สึกโชคดีอีกครั้งที่ตามแม่เล็กมาด้วยจริงๆได้เปิดหูเปิดตาแท้แท้ซูมานอินพาคนทั้งสองมาที่ห้องทํางานของเจ้าเฉียนนางเคาะประตูเบาๆเมื่อได้ยินเสียงเชิญครับจากด้านในจึงผลักประตูเข้าไป เจ้าเฉียนเห็นว่าเป็นซูมานอินก็รีบลุกขึ้นยืนทันทีสหายสู้นี่เองมาครับเชิญนั่งเจ้าเฉียนยกหูโทรศัพท์ขึ้นแล้วกดเบอร์สั่งการใครก็ได้เข้ามารินน้ําชาหน่อยไม่นานนักชายหนุ่มสวมแว่นคนหนึ่งก็ถือกระติกน้ําร้อนเข้ามาหลังจากรินน้ําร้อนสามถ้วยเสร็จแล้วก็ถอยออกไปอย่างเงียบเชียบสหายฮซูมานอินเรื่องที่คุณแจ้งมาเมื่อวานนี้ทางเราตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วครับเจ้าเฉียนเอ่ยขึ้นอย่างไม่รีบร้อนก่อนจะถอนหายใจยาวขมวดคิ้วเล็กน้อยพลางแสดงสีหน้าเคร่งรึม เธอเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่เราเองครับเขาเป็นแค่พนักงานสัญญาจ้างยังเข้าไม่ถึงเจตนารมณ์ของนโยบายดีพอเลยเร่งรัดดำเนินการไปตามระเบียบจนสร้างความลําบากให้พวกคุณต้องขออภัยจริงๆครับโจ้เว่ยหมินตกตะลึงนี่คือผู้อานวยการสํานักงานเขตเชียวนะกลับพูดจาสุภาพกับพวกเขาขนาดนี้แทมิ่งเอ่ยขอโทษ ด, ด้วยตัวเองอีกซูมาณอินกับฉินเสียวเย่สบตากันแอบคัมอยู่ในใจไม่ว่าที่ไหนก็มีแพรับบาปอยู่เสมอจริงๆหมายความว่าผู้อํานวยการเจ้าจะไม่เก็บค่าปรับพวกเราแล้วใช่ไหมคะ ซูมานอินเอ่ยถามด้วยท่าทางนอบน้อมแน่นอนว่าไม่ต้องครับเจ้าเฉียนตอบอย่างหนักแน่นพนักงานสัญญาจ้างคนนั้นเราเลยออกไปแล้วไม่ทราบว่าพวกคุณยังมีข้อเรียกร้องอื่นอีกไหมครับเล่ออกเลยเหรอคะซูมานอินแซงทำเป็นตกใจผู้อำนวยการเจ้ากับพวกเราก็แค่ชาวบ้านธรรมดาไม่อยากไปล่วงเกินใครหรอกค่แค่ไม่ปรับเงินก็พอแล้วไม่เห็นต้องถึงคั้นไล่เขาออกเลย เรื่องการชาปนากิจนี้เป็นแนวโน้มใหญ่ของสังคมฉันกลับไปปรึกษากับคนในครอบครัวแล้วทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าควรตอบสนองต่อนโยบายนี้อย่างเต็มที่ค่ะซูมานอินชี้ไปที่โจเวยหมินโดยเฉพาะลูกเลี้ยงของฉันคนนี้เขามีความตระหนักรู้สูงมากพอได้ยินว่าการเผาศพช่วยประหยัดที่ดินและทําให้สภาพแวดล้อมสวยงามขึ้นเขาก็เป็นคนแรกที่ยินหย่าสนับสนุนเลยค่ะโจเวยหมินไม่คาดคิดว่าแม่เล็กจะโยนบทมาให้กระทันหันเขาอึ้งไปเล็กน้อยทําได้เพียงยิ้มแห้งๆพางพยักหน้าตามน้ําไป โอ้พ่อหนุม่มคนนี้มีความตระหนักรู้สูไม่เบาเยี่ยมมากเจ้าเฉียนรู้ดีว่าจริงๆแล้วเป็นความคิดของซูมานอินแต่เขาก็ไม่ได้พูดจี้จุดออกมาผู้อํานวยการเจ้าค้าในเมื่อชาวปนสถานไห่เชิงสร้างเสร็จแล้วเมืองไห่เชิงของเราก็ควรจะส่งเสริมเรื่องนี้อย่างจริงจั ง, จงฉันคิดว่าในฐานะที่เราเป็นครอบครัวพนักงานโรงงานท่ผ้าของรัฐเราควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะพอซูมานอินเปิดประเด็นนี้ดวงตาของเจ้าเฉียนก็เป็นประกายขึ้นมาทันที ผู้อำนวยการเจ้าคะฉันมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งไม่รู้ว่ามันจะเหมาะสมไหมว่ามาเลยครับฉันอยากให้หลังจากชาปนสถานห่ยเชิงสร้างเสร็จสามีของฉันจะเป็นคนแรกที่เข้ารับการเผาศพฆาเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนงานของทางสำนักงานเขตและยังเป็นการแสดงความประหนักรู้ของพนักงานโรงงานทอผ้าของรัฐด้วยพวกเรายังสามารถประสานงานกับแผนประชาสัมพันธ์เพื่อขยายผลการสื่อสารให้สังคมได้รับรู้ถึงข้อดีและความหมายอันยาวนานของการชาปนกิจได้อีกด้วยนะคะ เจ้าเฉียนมองเห็นภาพข่าวในหัวทันทีดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นเต้นสหายซูมานอินคุนนี่เป็นแบบอย่างที่ดีจริงๆขอบคุณครับขอบคุณมากจริงๆ